พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าเอาเจตนาเป็นหลักเออวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ด ทันวากองพุทธศักราช 2,556 วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระขึ้น15ค่าเดือนหนึ่งปีพุพธศักรา 2,557 แล้วนะคณะสถานญาติโวงลูกหลานถ้านับตามจันทรคติแล้วก็ปี 2,557 แล้วปีนี้ขณะนี้นะขึ้นมา15วันแล้วแต่ถ้าว่า ถ้านับสุริยคติคือนับทางโลกเขาก็ยังเป็นอพอ5อพัห้า้อยาสบหยแต่ น, นับเป็นทัาจันทรคติแล้วก็คือเป็นปีใหม่ขึ้นมาแนละ้ว เ, เป็นวันขึ้น15ห้าค่ำ เ, เดือนหนึ่งปีห้าสบเจ็ดแต่ทึ้งยังไงวันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปผ่านไป แต่ว่าอะไรผ่านไปอะไรเสียไปเงินเสียไปทองเสียไปเพชรนินกินดาเสียไปเงินคําทรัพย์สมบัติเสียไปเมียเสียไปผัวเสียไปหาได้นะแต่ชีวิตของพวกเราตายไปในชีวิตของเราเนี่ยมันหายไปแล้วมันหายไปเลยนะอดูสิอย่างหลวพ่ออินเนี่ย อายุหกสิบเก้าปีอย่างนี้มันหายไปละหกสิบเก้าปียังเหลือเท่าไหร่อาจนวนที่มันได้ที่ได้อายุไปนันไม่ใช่มันได้มันเสีย ม, มันเสียอายุไปทั้งหกสิบเกปีแล้วจะอยู่ไปอีกกี่ปีล่ะทไปข้างหน้าเนี่ยถ้าว่าได้เก็บที่ผ่าละแปดสิบของพ่อกับบุญโขเหมันกันนะเพราะนั้นเราจะไปดีใจนนะได้ชีวิตมากมากนะนะแต่ว่ามันเสียชีวิตนะ มันหาคืนไม่ได้อีกตามหากแต่เงินคำทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านั้นเราหาได้นะคืนได้ทดแทนได้แต่ชีวิตของเราเนี่ยทดเทียนทดแทนไม่ได้ถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วกลับไปถึงบ้านนะเอามือก่ายหน้าผารคิดดูสิบัดเนี่ยหลวงพ่อเองที่พูดถูกหรือเปล่าวาเนี่ยพวกเราในคิดทิดดูนะอันนี้หลวงพ่ออยาการอ่านเ มีการประชุมคณะกรรมายาติโยงโ ล, ลูกหลานจะมีการประชุมวันวันพรุ่งนี้นะ เ, เรื่องด่วนที่สุดนะสรารการจังหวัดมกดาหานวันที่สิบหกวันที่สิบกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบกวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะเรื่องสรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พระราตฐานเพิงศริรักสังขารพระอธิการจามมหาปุญโญครั้งที่สองสองพเรียนคณะกรรมการดําเนิน ง, งานพระราชทานเพิงศริรักสังขารพระอธิการจามมหาปุญโญน่าถึงคําสั่งจังหวัดมุกดาหารที่2530 2556ลงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2556 สองหนังสือจังหวัดมุกดาหารด่วนที่ส <ites> ุดมีมหอแล้วก็ลงวันที่29่สิพฤศจิกายนห้สิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งสรุปการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจํานวนหนึ่งชุดและเบียรวาระการประชุมคณะตรวจพื้นที่จํานวนหนึ่งชุดตามที่จังหวัดมุกดาหารได้เชิญได้เชิญคณะกรรมการดําเนินงาน พระรัชฐานเพลิงสริกสังขาพรพระอธิการจามหาบุญโยไปชมเพื่อรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการเมื่อวันศุกร์ที่หทธันวาคมองพัห5าเวลาสิบศูนยจูนอนนวัดป่าวิเวศวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอขาเช อ, อีจังหวัดมุกดาหารนั้นจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งสุปผลการประชุมคณะกรรมาการดำเนินงานพระราชทานเพิงสริระสังขารอาิการจารมหาภุนโยครั้งที่สอง2556เมื่อวันศุกร์ที่6ทธันวาคม2556เวลาสิบศน์ชุนส์นนวัชวปาวิเภิวพัฒนารานอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย1อันหจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังว่าส่วนล่วงหน้าจะเดินทางมาตรวจพื้นที่รับเสด็จและประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมุกดาหารในวันพุทธที่18ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา 10.00 น น, น, นักวัดป่าวิเวศวัฒนาราม บ้านห้วยทรายตำบลคำาชะอีอําเภอคำาชะอีจังหวัดมุกนาหารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยมาด้วยสองจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จและประชุมร่วมกับส่วนร่วงหน้าตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวข้างต้นขอแสดงความนับถือ นายสกลสลินายสกลสลิปบุญปร ะ, ประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนี่แหละอันนี้ก็คือท่านนัดประชุมวันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็ได้บอกพระที่เป็นระดับหัวหน้าหัวนหน้างานที่มาช่วยงานก็ขอให้ไปร่วมประชุมกันที่แน็คงเวลาเท่าไหร่ เออเวลาสิบชั่นโมเออเวลาส0สิบนาิกานนี่น้นนนองปกพระเนีนเน่ระผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการของวัดเราเนาี่ยนะผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ยบาบาทกำนันผู้ที่รับร่วมร่ราาวมจ้าร่วมกันมาร่วมไปชุมกันกับส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนะแล้วก็ทางโยธา ที่จะมาวางผางพักผ้าพระปลารั บ, รร บ, รบเสด็จที่เมมของหลวงปู่ของเราและก็พร้อมกันก็งานของพวกเราก็ถ้ามองดูในสายตาของหลวงพ่อนะที่เคยจัดงานมาก็รู้สึกว่าอบอุ่นเพราะว่างานของหลวงปู่คราวนี้ ประมาณ 70% เหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้และก็วันนี้ก็หัวหน้าคณะเรื่องไฟเรื่องเสียงก็ไม่มีปัญหาประชุมกันเป็นระยะระยะเว้นวันหนึ่งก็ประชุมเมื่อคืนนี้ก็ประชุมกัน เ, เพื่อหาความบกพร่องของงานพวกเราไม่ได้นิ่งดูได้นะคณะนะสัตยาธิยมลูกหลาน เ, าเพราะว่าเราจะต้องประชุมหารือกันว่าจะต้องทําอะไรบ้าง แต่วันนี้พวกน้ำํำหลวงพ่อโต๊กกับหลวงพ่อแป๊กจะมาจากสกลนครและอุดรจะแบ่งโซนกันเรื่องน้ําแล้วก็กรมกรมชนประทานก็จะมาเครื่องสูบน้ำเพราะเราจะต้องได้ใช้น้ํามากในงานนี้นี่แหละและก็เมื่อวานเราก็ติดต่อไปทางก่อนๆนั่นนี่เราก็ติดต่อไปทา ง, น ห, นาาทางหลวงพ่อสุธรรม ก็ได้ขอทหารทางแม่ทัพภาคท่านก็ได้ส่งทหารมานะมาพักอยู่ที่วัดของเรามาช่วยงานนี่แหละทหาร10พวกทหารช่าง10บนายและก็วันนี้คงจะมาอีก20สนายแล้วก็ต่อชะดอก็คงจะเข้ามาอีก น, นี่แหละงานหลวงปู่ของเราเป็นงานสาธารณะจริงๆนะครับนักศรัทธาญาติโยมลูกหลานพวกเราในฐานะลูกหลานในท้องถิ่นในหมู่บ้าน น่าปลื้มใจเป็นอย่างมากที่คนอื่นๆในรอบบ้านาทุกแห่งหนได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันมองดูมาช่วยเรื่องงานของพวกเราแต่หลวงพ่อเห็นเล่นเองหลวงพ่อในฐานะเสือสายโมหิตหรือว่าญาติธรรมของหลวงปู่จามหลวงพ่อปลื้มปลื่มใจกับคณะน้องหนุ่มทางหลายที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ ทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆที่มองเห็นแล้วนะและคณะสัตยา ญ, ญาิโจงก็เหมือนกันได้เข้ามาร่วมกันมาช่วยกันใครที่มองมองเห็นและก็ต่อไปโรงทานก็คงจะเข้ามาช่วยกันอีกมองมองดูเดี๋ยวนี้ก็มีหลายโรงทานที่มาช่วยเป็นภารตุระในการเลี้ยงแขกคนที่เข้ามากรา แล้วก็มาทำงานในวัดของหลวงปู่ของเราวันนั้นทุกภาคส่วนพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วคือคือหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้งานหลวงปู่สาเร็จล่วงไปด้วยดีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่ า, อ, าอัภริหารยธรรมทำาำเป็นไปเพื่อความเจริญจเจริญโดยโดยส่วนเดียวเรียกอบริหารและจะทมีเจ็ด มีเจ็ดอย่างท่านขึ้นข้อแรกนะว่าหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเริกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมกันทํากิจที่สงจะพึงทำํำแล้วก็ไม่ถอนสิ่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นสมาทานตามที่พระองค์ทรงมาจญัตไว้ภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงเคารพนับถื อ, อ, อนับถือถ้อยคําของท่าน ไม่ลูกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสา ม, มเณรที่ไม่ที่ไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขถ้าทำเจประการนี้อยู่ในอยู่ในชนชุมชนกลุ่มใดมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมนี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยความพร้อมเพียงสามเณต้องอาศัยการประชุมกันเนืองมิตร ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็ต้องหันหน้าก่หากันเอองานของเรานี่ยไปยังไงออมันขาดตับกคลองที่ตรงไหนใครบ้างเห็นออจุดที่บุกค่องแล้วจะหาจุดไหนที่หาเรื่องอะไรที่มาช่วยงานของเรานี่ อ, อ, อย่างนี้เป็นตน้ตนต่างคนก็ต่างหลายหลายใจหลายแนวความคิดต่างคนก็ต่างมองออคนหนึ่งมองคนหนึ่งเออคนไั้หาคนนั้นมาช่วยคนนี้ก็หาคนนั้นมาช่วยเออผมเห็นอยู่รุ่น เ, เห็นไม ขนาดไม้พาเลทเนี่ยที่จะลอกทำจะหาที่ไหนบางองค์ท่านก็เห็นโน่นอยูกจังหวัดชนบุรีนี่ยนะเดี๋ยวติดต่อไปติดตอ่อเอามาเอาเลยถ้ามีรถมากผลออกไปได้ใส่รถสิบล้อมาเมื่อวานเห็นมันนะถ้าคิดเป็นเงินไปหลายแสนนี่แหละคือหลายหมูหลายตาหลายหูหลายตาหลายคู่หลายคนหลายคนสร้างสรรค์มีแต่เรื่องดีทั้งนั้นถ้าเรื่องหายจะได้ ถ้าหากออกมามากเท่าไรแต่ยิ่งทะเลาะบอกแว้งกันอันนั้นไม่ดีนะถ้ามาเพื่อการสร้างสารรมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่แล้วมีแต่ความผาสุกนั่นนะสารานีรร่จะทาทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเหมือนกันหนึ่งเข้าไปตั้งกายกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิษุสัสมเณีทั้งต่อหน้าได้รับหลักข้อที่สองเข้าไปตั้ง วจีกรรมประกอบด้วยเมตตาคือการพูดแนะนําสั่งสอนด้วยจิตเมตตาและก็ขาข้อที่สามเข้าไปตั้งมนโนกรรมคือตั้งใจดีต่อเพื่อนพิสุสมัมมาเนนควรเข้าไปเพื่อสร้างสารรค์ไม่ไม่ใช่เข้าไปเพื่อทําลายเปบียดเปลี่ยนต่อเพื่อนพิสุสมัมเนนสรุปแล้วก็คือคิดดีในหมู่ในคณะทําดีกับหมู่คณะพูดดีกับหมู่คณะนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวแล้วก็ข้อที่สี่แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมคือเราได้อาหารการบริโภคได้สิ่งของมาเราจะไปหวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวเราต้องแบ่งหมูแบ่งเพื่อนสดเชอเผื่อแผ่ให้หมูให้เพื่อนไม่ใช่ได้มาแล้วกินไม่มองใครมันไม่โทกได้สิ่งของมา ได้อัเตเลกขล่ามาแบบ่งปันลาบแบบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวรักษาศีลบริสุทธิ์สเสมอเหมือนกับภิกษุสัมมเนนอื่นไม่คล้ายไม่คล้ายคำว่าไม่รักษาศีนให้สิทธิ์ให้ต่ำกว่าเขาเให้ย่อหย่อนกว่าเขาอันนี้ก็คือรักษาศีนให้สเสมอเหมือนภิกษุสัมมเนนอื่นแล้วก็ข้อที่หก มีทิฏฐิคือความเห็นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปปลคุณโทษรักษาพระวินยัยให้อยู่ในหลักพทุทธรรมวินยัยเหมือนกันกันกบพิสูุสัสมมเห็นอื่นอย่ามีทิฏฐิขัดแย้งกันนี่แหละอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความเจริญพวกเราทั้งทั้งหลายจําไว้นะพระน้องพระหนูหนูพระลูกพระหลา น, า น, านเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวิจีกรรมประกอบด้วยเมตตา เข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาบานแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแบง่งเนี่ยพิกษุสัมเนมิ่งและ ร, ะรักษาศินให้เสมอบริสุทธิ์เสมอกับเสมอกันกับพิสุทิ์สัมมเนมิแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพิกษุ์สัมมเนมิอื่นไม่เห็นความแตกแยกกันนี่แหละ อันนี้นก็คือสารานิยธรรมทําเป็นไปเพื่อความเจริญในการอยู่ร่วมกันของภิกษุสามเณรเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพระโอปปาลัาลานน้องนุ่งทุกองการทําอะไรก็ให้มีความพร้องเพียงสมัคคีกันแต่หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจนะในฐานะทิดเพราะหลวงพ่อเป็นหัวแถวเห็นน้องนุ่งทั้งหลายพระเณนทั้งหลายช่วยกันทํางานก็สบายใจแล้วก็ขอให้ทําด้วยความตั้งใจไปเรื่อยๆนะ ไม่นานแล้วจากนี้ไปกว่ายี่สิบวันหลวงปู่ก็ได้พระราชทานเพลิงแล้วในเมื่อพระราชทานเพลิงเสร็จแล้วก็เราก็นั่งตั้งจิตอธิษฐานบนพระเกดีของหลวงปู่นั่งปนมมืออธิษฐานจิตเออบุญกุศลที่ข้าพเจา้าได้เสียสละเวลาตลอดทั้งชีวิตออทั้งชีวิตของข้าพเจา้าได้มาช่วยงานของหลวงปู่เนี่ยด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวล ขอให้บุญกุศลนี้เกือ้อกูลหนุนข้าพเจ้าทั้งว่าเวียนไหวตายเกิดภาวนายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏจักสงสารขอบุญกุศลนี้ก็ขอเกือ้อกูลหนุนหนุนข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปจนถึงมรรคผลนิพพานด้วยเถิดเมื่อเราทําดีแล้วก็ต้องขอพอรใช่ไหมล่ะไม่ใช่บอกปุก ป, ปับ ขึ้นมาแล้วก็ไปวัดนน้นไปวัดนี้กินเหล้าหัววัดหัวเวีงไปขอจตผรมันจะได้ผรจะจะได้ผรได้ยังไงพอตัวเองทำชั่วกินเหล้าไปโจรหัวฟัดหัวเวียงจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปขอพรจากพระสงฆ์หลวงพ่อเคยเห็นนะพ่อหลวงพ่อเป็นสมผานหลวงพ่อก็นึกขำคาอยู่ในใจ เ, เหมือนกันการที่จะขออรก็ต้องตัวเองต้องทำดีก่อน เอ่อทำรวปกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นบุญเป็นกุศลเสียก่อนจึงจะขอพรนฮะอันนี้พวกเราทําคุณงามความดีมาช่วยองค์หลวงปู่งานหลวงปู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความเ อ, อเสียสละจริงๆในใจิตในใจน้ำบุญกุศลเนี่ยจะต้องเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่พวกเราก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทํำมถึงว่า เราเสียสละทั้งชีวิตไม่เสียสละบยังไงพวกเราหลวงพ่อเดินทางมาจากที่อวัดป่านาคําน้อยเนี่ยนั่งรถมาถ้ารถแสลปลงไปข้างถนนได้หลวงพ่อก็ตายเนีเ่ยเพื่ออะพราะว่าลนรถลงข้างถนนมาในงานหลวงปู่เนี่ยอันนี้คือการเสียสลับอย่างหลวงพ่อบุญจันทร์ที่อยู่ข้างๆวัดหลวงพ่อเนี่ย อำเภอนายูงเหมือนกันจะมาในงานหลวงปู่จามเนี่แหละอายุสี่สิบสี่สิบปันศานะท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดปาน้ำจั้นใกล้ๆวัดหลวงพ่อเนะี่ยได้ยินว่าหลวงพ่ออยู่ที่นี่ท่านก็ออกมาตั้งแต่ตีห้ามาแล้วจะมาฉันที่อุดรดแล้วก็จะเลยมาที่นี่กับศรัทธาญาติหลวงของท่านผลที่สุดพอเลยมาหน่อยหนึ่งยังไม่พ้นเขตอำเภอไหนะเข้าเขต อ, อำเภอน้าสง ผ่านอำเภอนาอยมาเลยรถแสลบลงข้างถนนคอหักตายก่อนเข้าพรรษาปีที่แล้วเนี่ยเพราะนั้นท่านเสียสละทั้งชีวิตเนี่ยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคงเหมือนกันที่มาที่นี่ไม่ใช่สนุกสนานนะมาเนี่ยเอา เ, ออเสี่ยงชีวิตเหมือนกันที่มาร่วม ง, งานมาช่วยงานองค์หลวงปู่เพราะนั้นขอให้พวกเราพ่านร้องพ่านหูผ่านลูนกานลาน ตลอดถึงผีน้องไปชาชนทุกหมู่เหล่านะให้ประบอกคุณงามความดีสังสมบูญณกุศลเมื่อมีบุญมีกุศลไปอยู่ณสถานที่ใดดีทั้งนั้นแหละถา้าพวกเราทำบาปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีแล้วกว็วันนี้เป็นวันพระนะวันพระดังที่กล่าวที่หลวงพ่อได้พูดหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ารับศินก็ได้ไม่รับชินก็ได้ถ้าพวกเราเข้ามาสู่วัด ว, วาศาสนา เรียนรู้เรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องรับสินวาดตามหลังวาดตามพระก็ได้เราวิริยเจตนาเจตนาหังพิกเวกัมบังวดามิคือเจตนาเป็นหลักอย่างวันนี้พวกเรารู้แล้วว่าเป็นวันพระพอเสร็จแล้วก็กราบพระเจดีย์เลือกกาบพระพุทธรูปเลือกกาบศรีระของหลวงปู่จามของพวกเราที่ท่านนอนอยู่เนี่ย วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถเหมือนกับทุกครั้งที่รักษามาข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะรักษาพรหมจรรย์อภิมจริยาข้าพเจ้าจะไม่บุษาข้าจะไม่ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราข้าพเจ้าจะไม่ทานอาหารในเวลาวิการ ข้าพเจ้าจะไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงข้าพเจ้าจะไม่ทัดรงดอกไม้ค้องหอมข้าพเจ้าจะไม่นอนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ที่ยัดนุ่นแลสสำลีอธิษฐานจิตเจริญแล้วนเนี่ยสงบจิตสง บ, บใจแล้วกันนั่นแหละเป็นศีลแล้วเราก็รักษาแล้วแต่นี่อ่า เ, เรารักษาละตลอด1หนึ่งวันหนึ่งวันกับ น, นึ่เคืน นั่นอันนี้ก็คือเป็นศีลบริสุทธิ์ในจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รับจากาพระก็ไปว่าไม่ได้ศีลไม่ใช่นะอันนั้นเราพระเป็นผู้พานินำสมาถานเท่านั้นเองอย่างพระเวชชันดอนท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพกับนางวัดชีท่านอยู่คนละกุฏิกันอยู่คนละสาลาคนละหลังกันท่านก็รักษาศีลศีลแปดพระเวชชันดอนหรือพระมหาชนก ท่านรักษาศีลแปดทุกวันพระแต่ท่านว่ายน้ําในมหาสมุทรทะเลในการมหาสมุทรพ่อแพแตกเรือแตกเอพราะเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์กําลังจะหล่นลงไปพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาโอ้ออวันนี้เป็นวันเป็นวันพระของเราแล้วเราเคยรักษาอุปสมบทศีลท่านกนเอาน้ำบ้วนน้ำน้ําทะเลนะ เอ่ยวันปากให้สะอาดพอวัวนปากเสร็จแล้วตั้งตั้งจิตได้ทฐานข้าพเจ้าจะรักษาศินอุโบสถเหมือนข้าพเจ้ารักษาอย่างที่ผ่านมาเอ่อสินข้าพเจ้าสินแปดครับข้าพเจ้าอย่างที่เคยรักษามาทุกครั้งเพียงเท่านั้นแหละอยู่ในกามหาสมุทรทะเลว่ายน้ําอยู่ท่านก็นเป็นผู้รักษาศินได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายค้าพเจ้าทาญาติโยมทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ คำว่าศีลศีลคำนี้น่ะไม่ใช่ว่าเราเราจะสมาทานกับพระซะก่อนจึงจะเป็นศีลไม่ใช่นะอย่างศีลห้าพงเท่า น, นันก่อนที่เราจะหลับจะนอนน่ะอไหว้พระเสร็จแล้วเออข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดนี่แหละขณะนี้กณะที่ข้าพเจ้าไหว้พระนี่แหละจนถึงวันฮงขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือศีแลแหละแต่ถ้าว่าอย่างวันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้า ตลอดวันตลอดคืนพอวันเป็นวันพระของข้าพเจา้าก็เป็นศีลห้าแล้วนั่นแหะแต่จะเป็นเป็นศีลห้าหลากอกเป็นศีลห้าโกหกตัวเองนะแต่พอไหว้พระสบจบแล้วกลางคืนเ อ, อข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดคืนวันนี้พอรักษาเสร็จเศษแล้วร้อฝนตกแรงๆขึ้นมาเห็นไหมอื่ออ่างกบเปนร้องเห โปปักมาเล็กลโยนสินห้าทิ้งใช่ไหมแล้วก็ไปขาต้านก้านกบซักไปหาการเขียดใช่ไหมอันนั้นสินขาดแต่สินโกหกตัวเอง เ, เพราะฉนั้นอย่าได้มีถ้าเราทําอะไรต้องทําให้ศักตย์จริงให้มีความจริงใจให้มีความศัตย์จริงในตัวเองเป็นศินทั้งนั้นแหละเมื่อเรารักษาสินดีแล้วศิล น, นั่นแหลจะคุ้มครองพวกเราสีเลนะสุขติยญาติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศิน สีเลณโพก็สัมปทาผู้จะไปสู่ผู้จะมีโพค่าสมบัติได้ด้วยอนิสงส์แห่งสิลสีเลนนิพุติงยันติผู้จะไปสู่ริพานได้เพราะสินเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสิลวันพระนะพวกคณะสัาาตยาิโยมลูกหลานพุทธศาสนิกชนควรจะจำลึกแล้วก็ควรจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้มีสินนะให้ํำนึกเอาไว้ นี่แหะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนพวกเราสอนอย่างนี้แหะน ะ, ะให้เป็นฟังดูสิธรรมเทศนาของท่านถึงท่านจะล่วบรับดับขันไปแล้วก็เถิดเอ็มพีสามนึกที่ท่านพูดไว้ท่านก็สอนพวกเราอยู่อย่างที่หลวงพ่อสอนอย่างพ่อหลวงพ่อกล่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีทนะ่านลูกหลานคารัทาาญาณโยมได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวขอให้พวกเรา ตั้งตนเป็นคนดีนะสรุปแล้วก็แค่เป็นคนดเีเมื่อเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญถ้าว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วมีแต่ทางกิหายพวกเราอย่าไปทเํเถอะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะมันไม่ดีให้คิดดีทดําดีพูดดีจึงจะเป็นสริริเป็นมงคลสำหรับพวกเราเพาตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะนะที่นี้นะรับพร